นาโมตัสสะพะครวตอระหะโตสมมาสมปุทธะนาโมตัสสะระคะวตอระหะโตสมมาสมพุทธะนาโมตัสสะพะครวตอระหะโตสมมาสมปุทธะ ข้อนอกน้อมแด่พระผู้มีพระภาพอรหันตาสมมาสมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> นะบัดนี้มาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธ์เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย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 ไม่มีมากมายอะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> อารมณ์ต่างๆมันก็นเท่านี้ตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นยิ่นรสกายถูกก้างโผล่ัพพะใจคิดทำอารมณ์จะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกผมมาโลกก็ตาม อารมณ์ของโลกมันมีอยู่เท่านี้อารมณ์เรื่องราวเหล่านี้มันก็แสดงให้ทุกๆคนรู้ได้เข้าใจทีเดียวอย่างว่ารูประขันตัวคนเราเบื้องต้นแล้วว่าเกิดขึ้นโจิดขึ้นตั้งโย แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับหมดขีดแล้วก็สำลุดชุดททมแก่ลาผลที่สุดก็ตายแปดดับ <c oughs> นี่คือรูปปะันรูปปปะการนี่แหละถ้าเรากำหนดพิจารณาไม่ได้ไม่ถึง เป็นตัวมารแล้วว่าขันธมารขันธมารกิเลสมารสังขารละมารมัดจุมารโลกะขันนี้มันเป็นมารเป็นอุปสรรคอยู่ดูสบายก็เป็นมารอย่างหนึ่ง ได้กินก็เป็นมารอย่างหนึง่งไม่ได้กินก็เป็นมารอย่างหนึง่งเจ็บไข้ได้ป่วยพยาติโลคาบังเกิดมีขึ้นก็เป็นมารอันหนึง่งถ้าสติปัญญาไม่ทันแล้วก็ภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่จบภาวนาไม่รวมคือจิตสังขาร น, นั้นมายึดว่า โลกประขันคือตัวขันธมา น, นี้เป็นตัวเราพระพุทธเธจ้าท่านไม่ให้ยึดไม่ให้ถือว่าเป็นตัวเราเมื่อไม่เป็นตัวเราเป็นตัวใครเป็นธาตุโลกธาตุดินธาตุน้านําธาตุไฟธาตุลมเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมารมณ์เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจ อยู่ตามสภาพโลกอันนี้เองจงกำหนังดพกจาาณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรมีอะไรกินแดนเกิดผู้ใดตามรู้ตามเห็นแจนงแจ้งภายในจิตก็จะถอนกิเลสต่งตางๆที่มันมีอยู่ในจิตใจออกได้หมด พาพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ภาว น, นาทำใจให้สงบตั้งมั่นเสร็จที่แล้วท่านก็กำหนดนี้แหละกำหนดขันธมานสังขารมานก่เลสมานจนท่านลู้หน้าลู้ตามัน มาหลอกลวงโกหกพกลมให้ยึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจอีกต่อไปไม่ได้พระองค์ไม่ยอมไม่ยอมที่จะมาเกิดตาอาเกิดตายเย็ยนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอีกพบใหม่คาดใหม่พระองค์บอกมารกิเลสว่าพอแล้วที่พยามานและเสนามาน มาทำให้เราตถาคตมาเกิดมาตายอยู่ในโลกอนเนกชาพิสังสารังสันทาพิสังอนิพิสังเจ้าช่างเลื่อนมาสร้างเลื่อนหลังนี้มานับพกนับชาดในทวนแล้วพระองค์รู้เท่าทันไม่ตามพระองค์ละพระองค์วาง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 ไม่หลงสมบัติของมนุษย์โลกจะเป็นสมบัติอะไรที่มนุษย์เขาว่าดีวิเศษแค่องก็ไม่หลงเพราะว่าสมบัติทางหลายนั้นมันเป็นที่หลงของจิตอาวิชาตาัณหามันเป็นเครื่องผูกมัดลัดลึเรงจิตใจให้ติดอยู่ข้องอยู่ เมื่อพระองค์พิจะะารณาถิ่นแจ้งในหลักแห่งความไม่เที่ยงในหลักแห่งความเจ็นทุกข์ในหลักที่ไม่ใช่ตัวตนของพระองค์พระองค์ก็ถอนได้ละได้ ท, ท, ทั้งๆที <c oughs> ่รูปประหารของพระองค์ก็เหมือนกันกันกบพวกเราแต่โดยสมมุติท่านเป็นลูกของข้าวพยามาหะกัตริย์ จะเป็นอะไรก็โดยสมมุติธาตุแท้มันก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนๆกันคนสมัยโน้นกับคนสมัยนี้มันก็ต่อมาจากคนสมัยโน้นะสืบเชื่อสายมาโดยลำดับลาดับแต่ีคนสมัยก่อนครั้งพุทธกา ร, รเกิดแก่เก็ดตายวุ่นวายอย่างไร คนสมัยนี้มันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนเหมือนกันไม่ควรลุ่มหลงบัวเมาปล่อยให้จิตใจตั้งเถอ่ยึดมั่นถือมั่นในชาตในตระกูลในตัวเราในของเราไปไม่มีที่จบที่สิ้นธรรมดาจิตที่ยังหลงอยู่ยังติดโยคล่องอยู่ ทองโยในตัณหาทั้งหลายยังมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายอำนาจของตัณหานั่นแหละมันพาให้เส้นไปพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสัตวว่านัิตันหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มี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 คุอจิตมันไม่ดูไม่ทิจลรนาปล่อยให้ความง่วงเหอาเเอานอนเข้ามาทับถมจิตใจกิเลสมารสังขารมานขันธมารปันหาทั้งหลายก็ผูกมัดลัดลึงให้จิตใจคล้องอยู่ติดอยู่ขาดความเชียอความหมั่นความขยัน ไม่ลุกขึ้นภาวานาทำใจให้สงบตั้งมัน่นจิตมันก็มาคล้องอยู่ติดอยู่ในตัณหาทั้งหลายที่ท่านตรัสว่ากามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือมันคล้องอยู่มันมีความสงสัยอยู่ในจิตในใจมันไม่แจ้งในจิตในใจ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 มันจะได้ถอนได้ละออกไปคือว่าจุดมันมาหลงโลกมาใช่โลกมาหลงจิตจุดไปหลงโลกหลงเสียงหลงกลิ่นลดโสดสพ้าทำอารมณ์หลงดินน้ำไฟลมเมื่อจุดเป็นผู้หลงแนละ้วภาวานาก็คือแก้จิตนี่แหละ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 เอาจนเด็ดขาดลงไปสปัญหาที่จะมาดึงให้พระองค์มาเกิดมาตายมายินดีพอใจในโลกนี้อีกไม่มีไม่ว่าจากในมนุษย์โลกในเทวโลกพมมธโลกที่สมมุติเขาว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนั่นแหละ พระองค์เห็นแจ้งด้วยญาณด้วยปัญญาอันญิเศสจนละกิเลสความอยากความต้องการในอารมณ์นั้นนันหมดไปสิ้นไปตำหาทั้งหลายก็ดับไปไม่มาหลอกจิตใจของพระองค์หล่พระอริยสงสาวกเจ้าอีกต่อไป แต่พวกเราทั้งหลายนั้นมันหลอกหน้ฮิเลสมามันโกหกอย่างไรมันก็ตายตามโกหกพกลมจึงได้มาเกิดเกิดแล้วก็แก่ชลาไปตามหน้าที่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยพยาโรคาบังเกิดมีขึ้นขกลเกินทุกเป็นร้อน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 ไม่มีอะไรที่นอกจากดินน้ําไฟลมอันรูปขันตัวตนคนเราทุกโูกนามนี่เสมือนกันก็ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเหมือนเหมือนกันหมดแต่เป็นธาตุดินน้ําไฟลมไม่เหมือนธาตุเศษแผ่นดินภายนอก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 ทางข้างคือมันยังไม่ตายมันก็เหม็นสาบเหง็นข่าวจิงได้มีการอาบน้ำชำระกายพอกสบู่อะไรต่อมีอะไรก็คือร่างกายนี้มันเป็นของสฏิวปกูลไม่งามถ้ามันเกิดตายเมื่อใดเวลาใดล่ะใครไปใกล้ในไดละ่ะมันจะส่งกินกุ้งเข้าจมูก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 แต่มันจะกดอกันปฏิกูลโสโครกไม่ได้เมื่อใครไปเห็นเข้าแม่ดอกไม้จะสวยงามอย่างไรเขาก็ น, นึกได้ว่าข้างในดอกไม้เข้าไปในหีบในโลงในล่องไม่ใช่ของสวยงามแล้วไม่มีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ที่เอามาประดับ <c oughs> คือให้รู้เข้าไปข้างในตัวเราทุกคนนี่แหละเรานุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายทุกอย่างเราก็พิจรารณาตัวเราให้ได้ว่าตัวเราแค่ไหนเสียงได้ทำไมพระพุทธเจ้กกาจึงจแสดงว่าเป็นธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลม เป็นก้อนอสุภกรรมฐานเป็นของไม่งามพระองค์กำหนดพิจารณาอย่างไรจรึงรู้ได้ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามนั่นและคือว่าท่านตั้งใจให้มั่นภาวนาเพียนเพ่งดูภายในจิตใจของท่านตั้งมั่นไม่วันไหว้ายปัญญาภายใน เกียนเพ่งดูจนรู้แจ้งแทงตลอดว่าที่แท้มันก็ไม่มีอะไรเป็นสารกเป็นสารในรูปนามกายใจอันนี้แต่เพราะมีอวิชชาสัญหาในจิตใจมันติดไว้บังไว้ไม่ให้กำหนดพิจารณาจึงเข้าใจผิดคิดหลงไป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 แต่คนเราสมมุติโลกเขาไม่ว่าตายมันจุดไว้บังไว้ปัญญาจึงไม่ถึงเข้าใจว่าเป็นของมั่นคงถาวร้าแท้มันไม่ใช่ของมั่นคงถาวรเป็นของไม่คำได้นาน ชีวิตของแต่ละบุคคล น, นั้นเกิดมาไม่เท่าที่่ไมเท่าเท่ากันบางคนเกิดมายังไม่เป็นคู่เป็นคนเรียก ว, ว่าตายลอดออกมาจากท้องแม่อย่างนั้นก็มีบางคนก็เกิดเวลานั้นตายเวลานั้นก็มีตายทั้งแม่ตายทั้งลูกก็มี ความตายนั้นไม่ได้เลือกหลอกไม่ว่าคนชั้นใดภูมิใดก็ตามการมาเกิดในโลกนี่มันเต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยไข่เต็มไปด้วยขอ ง, ตงโตโปฏิกูลร่างกายของเราเมื่อมันใหญ่แล้วค้อดออกมาแล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ได้เลื่อนเประเลอะเทอะประการใด ธาตุแท้นั้นร่างกายสังขารเนี่ยมันเป็นธาตุน้ำาธาตุปฏิกูลของโลกเอามาปั้นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราและจุดใจที่มายึดเอาถือเอานี้ต็งโง่เขาเบาปัญญา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 ตัวกูของกูอะไรเป็นของกูตัวเราของเราอะไรเป็นของเราทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของเลือกสวนได้นาที่บ้านที่เรือนอะไรต่อ น, นี้อะไรในโลกนี้ถามดูให้ดีมันเป็นของเราไหมเปงนข้งหลายเขาไม่ได้ว่าเป็นของใคร ใจหลงอนมตตังหาดไปยึดเอาถือเอาว่าเป็นของเราต้องให้เห็นว่าของเรานั้นโดยสมมุติภาพแต้มันไม่ได้เป็นของเราเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมนั่นเองก็ธาตุดินน้ําไฟลมมาพุงปั้นแต่งให้เป็นนั่นเป็นนี้ไฟ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 ถ้าลำพังตัวเราคนเดียวนั้นเขาผีกีกระดูกตัวเองไม่ได้ตายที่ไหนมันก็อยู่ที่นั้นตายแล้วมันก็ไข่พองขึ้นจนกระทั่งอยู่ไม่ได้ก็แตกน้ำเหลืองไหลออกไปหรือแตกกระดูกกระดูกนามเข้าก็พวกงพังไปจมลงไปในแผ่นดิน ก็เป็นดินอย่างที่เราเห็นนี่แหละธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรูปประขัร่างกายสังขารอันนี้มันธาตุท้งสี่ดินน้ำไฟลมแองเทียนแผ่นดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบถ้าจิตไม่สงเกตั้งมัน่นมองไม่เห็นมันเห็นเป็นดิตเป็นดีใปหมก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 เหมือนเราดูเงาในน้าในคลุในองค์ในหายที่มันสั่นสะเทือนมองไม่เห็นชัดทำน้ํานิ่งมองเห็นชัดน้านิ่งก็คือใจต้องสงบใจตั้งมัน่นใจไม่โลเลไม่สงสัยเมื่อใจแน่วแน่มั่นคงก็มองเห็น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 จงให้ชื่อว่ารู้แจ้งพระพุทธเจ้านั่นรู้แจ้งโลกโลกวิถูรู้แจ้งโลกล่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็รู้แจ้งโลกถ้าไม่รู้แจ้งโลกก็ออกจากโลกไม่ได้เมื่อท่านรู้แจ้งโลกเมื่อได้เป็นโลกวิถูเหมือนพระพุทธ ให้ทมอย uh ู night, soil, soil, ่ในถ้าในคูหาอยู่ภายในไม่ประโยนตามอาการภายนอกอันที่จะมาหลอกลวงให้ลุ่มหลงต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็ได้แก่เราทุกคนจะต้องลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาให้มันเป็นที่เมื่อต้นที่เป็นฐานมันก็รู้ได้เข้าใจ ในจิตใจของตนของตนนั่นเองครูซึ่งทั้งหลายนั้นไม่มีอะไรผิดบงังความหลงในจิตใจของเราไม่ภาวนาให้มันมากนั่นแหละมันเป็นเหตุแห่งความหลงเมื่อจุดนี้มันหลงมันมัวความหลงนี้จะหมดไปสิ้นไป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 เชียนเพ่งคุนมุติจารณาทุกอย่างในร่างกายสังขารนี้ทั้งในพระสิมที่ตนนามธรรมก็กำหนดพิจารณาให้มันแจ้งหมดไม่ให้มีมืดบงังรวงลงสู่มรณะกรรมฐานทุกคนทุกทวนน่ะผลที่สุดไม่มีใครที่เหลืออยู่ในโลก ถ้ามีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเป็นคู่กันแต่ที่มันยังไม่ตายนั้นก็คือยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองแต่มันจะต้องตายทุกสวนหนาไม่มีใส่เหลือจึงให้พากันตั้งอดตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเรียนเช่งโูให้แจ้งในจิตในใจอย่าได้มีความท้อถอย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 ธาตุใจนี่มันแจ้งชัดว่าโจดมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ในความแก่ความชราอย่างนี้ในความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ถ้าไม่ต้องการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกลูกภาวนาแก้ไขใจไม่ามาหลงเมื่อจุดนี้ไม่หลงแกเจ็บตายก็ไม่มี ถาจุดมันยึดถืออยู่แกจุดตายก็มีเลื่อยไปไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะอำ น, นาจตัณหาภายในจิตเพราะจุดไม่รู้จักปล่อยวางวิเลสตัณหาในจิตในจิต ใ, ใจของตัวเองตัวนี้มันจะมาโจรมาตายยุ่นวายอยู่ไม่จบไม่สิ้น หนักเข้าก็มาทำบาป ท, ทำอกุศลต่างๆแทนที่จิตใจจะได้เบาบางออกจากกิเลสมันยิ่งจุดบางเข้าไปอีกเวลาเราทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลภาวนาในใจของตอนนี้อยามีความทอถอยอยามีความอ่อนแอทอแท้ในหัวใจ นายดวงจิตดวงใจนั่นเลยว่าตั้งมั่นอยู่เสมอแจ้งประวางอยู่ภายในเห็นคนมาเห็นคนนั่งนอนยืนเดินก็เห็นความแก่ความเจ็บความไข้เห็นความตายเห็นความทุกข์ของคนทุกคนไปพร้อมกับตัวเราด้วยงานมันจะตจ้งเต้นไปอย่างเดียวกันหมด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 แต่เวลามันจะเอาเข้ามันไม่ได้บอกล่วงหน้าความตายมันมีป้ายบอกที่ไหนไม่มีป้ายบอกว่าคนนั่นจะตายวันพุดวันจันวันอังคารวันพุธประหัสสุขสาวดวนนั่นดวนนี้ืีนั่ น, นืีนี้พอทางนั้นทางนี้นีเขียนบอกไว้ที่ไหนมีไหมไม่มี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 สอนจุดสอนใจได้ตลอดเวลาจิตใจของบุคคลผู้นั้นมันก็ตั้งขึ้นมาแหละไม่เดือนร้อนธรรมะไาก็มีความหนักแน่นในธรรมะปฏิบัติไม่มีจิตใจอันงอนแน่นคอนแขน็แล้วว่าทำจริงปฏิบัติจริงเอาให้รู้ให้เข้าใจลงไปในจิตใจนั่นจิตใจของตนก็ให้มีความ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 ผู้ใดประมาทไม่นึกถึงความตายที่จะมาถึงตนและไม่ได้หลงตายหลงเกิดอยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีเมื่อมาระลึกได้อย่างนี้แล้วก็ให้พากันตั้งจิตเจตนาให้มันแน่วแน่นั่งสมาธิภาวนาจิตใจให้สงบทุกข์ืน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 แต่ถ้าเราสอนใจเราไม่ได้คนอื่นเขาก็ไม่ฟังดังนั้นเราต้องแรกที่สดกเกลเยวว่าต้สนสอนสนตนภาวนาในใจของตัวเองและให้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งจิตตั้งใจตั้งแต่วารานีเป็นต้นไปด้วยอย่าไปลั่งรอลั่งรอไม่ได้ ให้ลืบเล่งปฏิบัติบูชาภาว น, นาข่ากิเลสให้ตายขายกิเลสให้ออกอย่ามาหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวในตมในเราในของของเราอยู่มาละนังเมพาวิสติเราต้องตายนึกสอนใจเราให้ได้ทุกเวลา นั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รัดความสุขความจเจริญอวังก็มีด้วยส ก, กาละนีสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพโลโควินัสสุมาเตวสวัตตวันตรายโยสุขีี่กายุโกภวะ อะพีวาธานาสีริษนิจังวุฒาปชาดีโนจตาโรธรรมาวทันสีอายุวันโอสุขังภาลัง <c oughs> อัมปจิบัตบูชานั่งสมาธิภาวนาอย่าเข้าใจว่าเป็นของทมเล่น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 ลมหายใจเข้าออกมีโยกตั้งใจกำหนดลมหายใจนึกบริกรรมอะไรก็มันแน่วแน่มั่นคงในใจไม่ใช้ปล่อยขาดสติสัมปชัญญะง่วงเหงาเห้านอนฟุ้งซ่านลำคาญใส่ให้จิตใจมีความเบิกบานยินเยี่นแจ่มใส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 เราไม่ทำจิตทำใจให้มันสงบระงับถึงพุทธะพุทธโธจริงๆแล้วมันจริงจะเข้าใจถ้าเราฟังแต่เพียงภาษาใจก็ไม่ตัง้งไม่เอาจริงเอาจังมันก็เลื่อนลอยละฟุ่งซ่านลังคาลเลื่อนลอยง่วงแล้วเหานอน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 เลยหลงไปตามอำนาจนี้ตลอดการจงยกจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิาวนาไม่ให้มันรั่วไม่ให้ไหลไปที่อื่นเรียก ว, ว่าโอปณยิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก เพือไม่ให้มันรั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะเอกใจจึงจะเข้าถึงความสงบสมาธิจิตตั้งมั่นลงไปไนดะ้จิตตั้งมั่นไม่ใช่ว่าจิตหลับไหลจิตตั้งมั่นต้องเป็นจิตที่ชื่นบาน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 ยกจิตใจของเราให้สูงส่งขึ้นมาสติคือความปรรลกได้ให้เป็นผู้มีส ต, ติคือจิตนั่นแหละจิตคือจิตดวงที่โล้อยู่นี่แหละเมื่อไม่ตั้งมั่นจริงๆมันก็ขาดสติ หาสติีิเลตในนั้นมากับพาไปคิดไปปรุงไปแต่งไปดีใจเสียใจฟุ้งซ่านลำคาดเลยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนอะไรเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าอะไรเป็นพระธรรมอะไรเป็นพระสงฆ์ก็จะไปได้ยินได้เห็นได้ฟังแท่สมมุติภาษา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 โยในใจเรียก ว, ว่าไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติแค่นั้นใน่านสันตั้งใจภาวนาทุกอืรยาบทยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนามันได้ทุกเวลาจึงจะสมว่าผู้ปฏิบัติย่อมรู้เข้าใจในธรรมะปฏิบัติ ดังแสดงมาโดยยนย่อพอได้ใจความแล้วจงผากันประพฤติปฏิบัติไปโดยความไม่ประมาทเอาสนั้นกับฝ่ายตายคำว่าทิเศษ กองใหญ่ๆมันก็มีอย่างีย่างอิเลความโกรธอิเลสความโกรธนี่เหมือนจับเสือละใครเตะต้องไม่ได้อิเลสความโลภนี่ก็เหมือนกับจระเข้จระเข้นั่นเร็วปากใหญ่ปากกว้าง เขาแต่งิ น, นทานมาหางมันรอบโลกไปเลยไปกัดกินหางตัวเอ ง, องโลกฮะคือความโลภความโลภในกิดของมนุษยนะ์เรียกว่ามันมากมายไม่อิ่มไม่พอมันยังเกียบเท่ให้มนุษย์โลว่า ในโลกนี้นานๆจะมีพระเจ้าจั ก, กรพรรดิราธิราชคนหนึ่งมาเกิดในโลกได้เป็นใหญ่หมดในมนุษย์โลกหมายถึงมนุษย์ที่เราไปมาหาสู่กันนีหละได้เป็นใหญ่เพราะมีจั ก, กรพรรดิราธิราชคอยเป็นอำนาจก็ยังไม่พอ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 กิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงตัวที่สามนี่เรียกว่าหลงหลงสมมุตินิยอมในโลกหลงกินหลงนอนหลงสนุกเฮฮาภาษากิเลสความหลงนี่เรียกว่าละเอียดมากตามกฎธรรมดาแล้ว ผู้มีความหลงมากๆเรียกว่าไม่รู้สึกตัวละ่ะแกก็ไม่รู้สึกตัววุ่นวายอยู่อย่างนั้นนะคือว่าความหลงมันปก ค, คัมคมจิตกี่เลืสามกองนี้มันมีเป็นเจ้าโลกกว่าไายกิเลืความโกรธเป็นเจ้าโลกหนึ่งกิเลืความโลภเป็นเจ้าโลกหนึ่ง กีเลสความหลงเป็นเจ้าโลกหนะึ่งแต่เจ้าแผ่นดินโลกหลงนะมีสามนายใหญ่ใหญ่มันไม่กลัวใครแหะแต่ว่ากลัวผู้ปฏิบัตินั่งภาวนานับสั่งตนตนแต่พระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ลมไม่โผ กิเลสความโกรธความโลภความหลงเน่าบกกล้าทาอะไรกับพระพุทธเจา้าแม่สาวกพระพุทธเจ้าท่านที่ปฏิบัติภาวนาได้สำเร็จเป็นพระโสดาติทาขาอนาคาจนถึงขั้นพระอารหันตากิเลสความโกรธโลภหลงสามกองเน่ากลัวกล้าไหว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 คือเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเอาบทันลุดาว่าลายไปตามเรื่องเรียกว่าโทสะจริตโทสะจริตนี้มเมนเล็กน้อยโลภะก็เหมือนกันโมหะก็เหมือนกันมันมีขึ้นมาแล้วมันไม่กลัวใครละกลัวผู้ปฏิบัติภาวนาลูกเดียว ผู้ได้มันขยันภาวนานั้นแหละมันกลัวกลัวคนหมัน่นคนขยันฉะนั้นให้เราทุกคนตั้งสตยาที่ฐานลงไปว่าเราจะไม่ประมาจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืน จะนั่งคัดสมาธิได้ทุกวันทุกคืนแต่เวลานั่งเขาเรามันจะเอาไ่ได้คือว่าถ้ามีครูบาอาจารย์พูดดูว่านั่งหรือก็นั่งอยู่มันก็กทําได้แต่เมื่อไม่มีไม่มีใครดูว่านั่งคัดสมาธิหรือไม่นั่งตรงนั้นเรามันจะ มันจะแหกคุกไปนั่งจกักรย์ตีเจ้าของนั่งยังไงก็ได้นอนภาวนาก็ได้มันมันมันแหวกแนวออกไปหรือว่านอนแค่ก่อนตื่นขึ้นมายังภาวนากบบนังได้มันมันกเป็น